กลมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุครอบครัวเก่าซอยร้อยเมร้อกข้าพเจ้าพระมหาภัยบุญอภิปุนโนจากวัดป่าดอนนาโศกตัแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์มาพบกับธรรมบุฟังทางสถานีวิทยุอย่างนี้ในช่วงของวันจันทร์ถึงวันพุธนั้นข้าพเจ้าก็จะมาพบกับธรรมบุฟังพูดเรื่องราวเกี่ยวกับการปฏิบัตินำพระสูตร ต่างๆมาอธิบายให้ฟังเป็นการทำหน้าที่ของประสงค์ในการที่ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทําสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจง้งส่วนในวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นั้นก็มาพร้อมกับคุณสันสนีนาคพงศ์มาพูดคุยเป็นการสักข์ฉาพูดคุยสิ่งต่างๆที่เราสามารถจะนำธรรมะมาใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้ซึ่งในช่วงนี้ข้าพเจ้าก็ได้ทดลองนําเรื่องราวที่มาในธรรมบท เป็นนิทานธรรมบทมาให้ท่านบูฟังได้ลองฟังกันดูและวก็พระเจ้ามาที่สถานีวิทยุแห่งนี้ก็เป็นหลายปีแล้วในฟังทั้งเรื่องราวที่เป็นการปฏิบัติให้ฟังทั้งพระสูตรเป็นช่วงของการฟังทำคำพุท ธ, ธะอันนี้เป็นพุทธพจน์บ้างเป็นคําของท่านพระสารีบุตรหรือท่านพระอนนท์อธิบายไว้ต่างๆนานาบ้างแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนมาให้ฟังเรื่องราวที่เป็นนิทานบ้างเป็นเรื่องราวที่เขียนอธิบายพุทธพจน์เอาไว้ ในซึ่งเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ก็มีข้อมูลความจริงอยู่ในหลายๆเรื่องในหลายๆเรื่องก็จะมีการสอดคล้องอยู่ในพระสูตร ต, ต่างๆเอามารวบรวมเป็นเรื่องเป็นนิทานเหล่านี้แต่ซึ่งบางเรื่องนั้นก็แต่งขึ้นมาก็มีเหมือนกันแต่ซึ่งข้าพเจ้าก็จะนำมาให้ฟังแล้วก็จะมาอธิบายพร้อมๆกันไปด้วยเมื่อวานนี้เราได้ให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับเทวดาที่ชื่อว่าเท้าสักกะเทวราชแต่เท้าสักกดเทวราชในนามที่เรารู้จัก ก็คือพระอินนั่นเองพระอินทหรือว่าเท้าอารุณอมรินหรือว่าเท้ามัคคะเทวะมีหลายชื่อเหลือเกินก็เอาไปตั้งเป็นชื่อถน น, นชื่อสะพานชื่ออาคารชื่อสี่แยกเยอะแยะไปหมดแต่ถ้าเราจะลิสต์มาดูนี่ก็มีเป็น10บสชื่อเลยในชื่อของพระอินแตนะ่ซึ่งพระอินนี้เป็นเป็นตำแหน่งแตนะ่ก็เรียกว่าเป็นจอมแห่งเทวดาทั้งหลายแตนะ่พูดก็พูดก็คือว่าเป็นพระราชาขอ ง, ของเหล่าเทวดา ที่อยู่ในชั้นดาวดึงที่นําเรื่องนี้มาให้ทัพมูฟังฟังนั้นก็เพราะว่าพระบรมเชษฐ์ได้อธิบายถึงเหตุปัจจัยที่ทําให้บุคคลใดสักบุคคลหนึ่งได้ไปครองตําแหน่งพระอินทนี้ได้แต่ก็เรียกว่าสิ่งที่เป็นวัตบท7จในตอนนี้ได้ให้ฟังใบเมื่อวานละส่วนวันนี้ก็จะได้ให้ฟังตอนต่อนเนื่องกันที่ว่าพอไปถึงเกิดเป็นเทวดาชั้นดาวดึงเกิดเป็นเท้าสากัเทวราชแล้วเนี่ย ความเป็นอยู่ในพบพบนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวที่ข้าพเจ้าได้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้เมื่อวานนี้ที่พูดถึงว่ า, าไม่ใช่แค่คนไทยแต่เรารู้จักพระอินเท่านั้นแม้แต่คนจีนเขาก็ยังเอาเรื่องพระอินเนี่ยมาทาเป็นหนังภาพยนตร์จีนเนี่ยเราจะได้เคยดูเรื่องไซอิ๋วหรือเรื่องอะไรต่างๆที่เขาจะมีเง็กเซียนฮ่องเต้แต่ซึ่งเป็นเซียนเป็นเทวดาพวกเนี้ยแเง็กเซียนฮ่องเต้นี่ก็คือ เท้าส ก, กะเทวราชนั่นเองหรือแม้แต่ในหนังฮอลลีวูดซึ่งเขาก็ยังรู้จักเท้าอรุณอมรินีนันะชื่อว่าโอดินเป็นพ่อของทอเราเคยดูเรื่องทอที่เขาเป็นเทวาดาที่ใช้ค้อนเป็นอาวุธเนี่ยนะค้อนสายฟ้าเนี่ยก็พ่อของเขาเนี่ยนะคือเท้าส ก, กะเทวราชแต่ที่ข้าพเจ้าตั้งข้อสังเกตอันนีนะ้นี่เป็นข้อสังเกตของข้าพเจ้าเองนะที่ตั้งข้อสังเกตอันนี้เพราะว่า ดูจากเรื่องราวที่เขาเล่ามาแล้วเนี่ยในภพที่จะมีลักษณะมีคู่ต่อสู้ในะเป็นอศูนย์กับเป็นเทพแล้วก็จะมีอยู่แค่2ชั้นก็คือชั้นดาวดึงอันนี้อันหนึง่งแล้วก็ชั้นปารินีมิตาสวัสดีในเมื่อวานรู้สึกจะพูดปิดไป น, นิดนึ่งนั่นต้องเป็นชั้นปารินีมิตาสวัสดีในเมื่อวานรู้สึกจะให้ข้อมูลปิดไป น, นิดหนึ่งบอกว่าเป็นชั้นนิมานโนร ด, ดีแต่ชั้นที่มีฝ่ายที่เป็นคู่ตรงข้ามกันนั่นคือมี มารก็มีเทพอันนี้คือปรินิมิตรสวดดีในะหัวหน้าของฝ่ายมาในที่นี้ก็คือที่ไปกวนพระพุทธเจ้าตอนก่อนการตรัสรู้อันนี้คืออยู่ในชั้นสูงสุดของเทวดาชั้นที่6กเรียกว่าปรินิมิตรสวดดีในะมีฝ่ายที่เป็นมารอยู่อีกชั้น1ก็คือชั้นที่2เรียกว่าชั้นดาวดึงในะมีเทพผู้ปกครองอยู่33องค์นะจึงใช้ว่าตาวติงสะซึ่งหมายถึง33า แล้วก็มีหัวหน้าคือเท้าสกัดเทวรัตแล้วกู้ตรงข้ามของฝ่ายนี้ก็เรียกว่าอสูรในอสูรนี่จะต่างกับมารตรงที่ว่าอสูรนั้นบอกไว้ชัดเจนว่าอยู่ในชั้นดาวประดิษฐ์หัวหน้าของฝ่ายอสูรก็คือเท้าเวปจิตเท้าเวปจิตตินี้เป็นหัวหน้าของฝ่ายอสูรในที่เป็นฝ่ายที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในธรรมเหมือนกับฝ่ายมารที่อยู่ในชั้นปิดินิมิตตาสวัสดีนั่นแหละส่วนฝ่ายเทวดาจะมีหัวหน้าคือเท้าสักกะนั้นก็ตั้งอยู่ในธรรม แต่บางครั้งเขาก็รบกันต่อสู้กันผลัดกันแพ้บ้างผลัดกันชนะบ้างนั่นก็คืออยู่ในสวรรค์ชั้นตรงนี้แล้วก็ความเป็นอยู่ของภาพยนตร์ที่เขาโชว์มาในเรื่องซอก็ตามหรือว่าความเป็นอยู่ของนิกซีนฮ่องเต้เนี่ยดูดูแล้วก็จะคล้ายคึง ก, กันกับพวกเราเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงมากกว่าคือเพราะว่าถ้าความเป็นอยู่ของเทวดาในชั้นปฐินิมิตาสวัสดีเนี่ย ก็จะเรียบง่ายกว่านั้นาจะเป็นพบที่ละเอียดขึ้นไปกว่านั้นแต่ถ้าพูดถึงความเลื่อนลุ่มอลังกา ร, รอะไรต่างเนี่ยมันต้องอยู่ในชั้นดาวดิ่งแตเราะฉะนั้นเวลาที่มีคู่ปฏิบัติคู่ตรงข้ามมีการรบการต่อสู้กันก็จะอยู่ที่ชั้นนี้แหละมีทั้งฝ่ายอาศูนมีทั้งฝ่ายเทพ ล, ลูกน้องของฝ่ายเทพก็จะมีพวกเทวดาที่เป็นนาคบ้างเป็นกรุตบ้างเป็นคนทันบ้างแนี่พวกนี้อยู่ในสวรรค์ชั้นที่ต่ํากว่าลงมา เรียกว่าชั้นจะาตุมหาราชิกาเรามาฟังเรื่องราวความเป็นอยู่ของสวรรค์ในชั้นดาวดึงที่มีหัวหน้าคือเท้าส ก, กัเทวราชณว่าหลังจากที่เท้าส ก, กะได้อุบัติขึ้นโดยความเป็นเทวดาแล้วนสู้รบกับฝ่ายมารจนฝ่ายมารห น, นีล่าถอยไปแล้วแล้วความเป็นอยู่ในภพนั้นเป็นอย่างไรเรามาฟังกันตอนนี้ดูแล้วก็ฟังคถาตอนจบ ที่พระบรุตเจ้าได้ตรัสสรุปไวัตในเรื่องราวเรื่องนี้ในที่ได้เล่าให้กับมหาลิที่เป็นเจ้าลิชวีองค์หนึ่งได้ฟังหลังจากที่เท้าส ก, กัศเทวอราชได้อุบัติขึ้นในสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วและสู้รบกับฝ่ายมารชนะแล้วในเรื่องราวเป็นดังต่อไปนี้เมื่อพวกอสูรปราชัยแล้วในสงครามระหว่างเทวดาและอสูร ชื่อว่าเทพนครในชั้นดาวดึงประมาณหมื่นโยธได้เกิดขึ้นแล้วและในระหว่างประตูด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกแห่งพระนคร น, นั้นมีเนื้อที่ประมาณหมื่นโยธระหว่างประตูด้านทิศ ใ, ใต้และทิศเหนือก็มีขนาดเท่ากันอนหนึ่งพระนคร น, นั้นประกอบด้วยประตูพันหนึ่ง ประกอบด้วยอุทยานและสะโบกรณีพระาสาทนามว่าเวทยันสูงเจ็ดรยโยต์ตกแต่งแล้วด้วยแก้เจ็ประการประดับด้วยทรงทั้งหลายสูงสามรยโยต์หุดขึ้นแล้วด้วยผลแห่งสลาในท่ามกลางพระนครนั้นทงที่คันเป็นทองได้มีทองเป็นแก้มณีที่คันเป็นแก้มณี ได้มีธงเป็นทองที่คันเป็นแก้วประพานได้มีธงเป็นแก้วมุกดาที่คันเป็นแก้วมุกดาได้มีธงเป็นแก้วประพานที่คันเป็นแก้วเจ็ดประการได้มีธงเป็นแก้วเจ็ดประการธงที่ตั้งอยู่กลางได้มีส่วนสูงสามร้อยยนดประสาสูงพันยนดล้วนแล้วด้วยแก้วเจ็ดประการ เกิดแล้วด้วยผลแห่งสาราด้วยประการชนี้ต้นปาริชัตตะมีปริมณฑลแผ่ไปสามรอยโย์โดยรอบเกิดขึ้นด้วยผลแห่งการปลูกต้นทองหลางบรรทุกกมพลศิลามีสีดังดอกเฉยปรึสีคลั่งและสีบัวโรยโดยยาว60โยชโยโดยกว้าง40โยชนโย นาสิบห้ายอดตามปกติแท่นบรรทุกกมพลศิลาอาจในเวลาที่เท้าสักกะประทับนั่งจะยุคลงไปถึงครึ่งพระวรากายในเวลาเสด็จลุกขึ้นจะกลับฟูขึ้นเต็มเหมือนเดิมแค่นนั้นเกิดแล้วที่โคนไม้ปาริชั ต, ตกะด้วยผลแห่งการปูแผ่นศิลา ส่วนช้างเกิดเป็นเทพบุตรชื่อเอาราวันแถจริงสัตว์เดรชาทั้งหลายย่อมไม่มีในเทวโลกเพราะฉะนั้นในเวลาท้าวส ก, กะเสด็จออกเพื่อประพาสพระอุทยานเทพบุตรนั้นจึงจำแรงตัวเป็นช้างชื่อเอาราวันสูงประมาณ150หโยต์ช้างเทพบุตรนั้นเดรมิรกระพอง สามสิบสามกระพองเพื่อประโยชน์แก่ชนสามสิบสามคนในกระพองเหล่านั้นกระพองหนึ่งกระพองหนึ่งโดยกลมสามข่าวบุตรโดยยาวประมาณกึ่งโยช์ช้างเทพระบุตรนั้นเดรมิรกระพองชื่อสุทธศสนะประมาณสามสิบโยธในท่ามกลางกระพองทั้งหมดเพื่อประโยชน์แก่เท้าสั ก, กะ เบื้องบนแห่งกระพองนั้นมีมนดบแก้วประมาณ12โยน์่งคลิปด้วยแก้วเจ็ดประการสูงโยตหนึ่งตั้งขึ้นในระหว่างระหว่างคือเป็นระยะระยะในมนดบแก้วนั้นคลายแห่งกระดิ่งที่ถูกลมพัดห่อนอ่อนแล้วมีเสียงกังบานบานเสียงดนตรีที่เป็นทิพ ป, ประสาร ด้วยเสียงดนตรีอันมีองค์ห้ากระดิ่งนั้นห้อยอยู่ที่ริมโดยรอบบัลลังก์แก้วมณีประมาณโยชหนึ่งเป็นพระแท่นที่เขาจัดไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อเท้าสักกะในท่ามกลางมนดบเท้าสักกะย่อมประทับนั่งเหนือบัลลังก์นั้นเทพปบุตร33สสองค์นั่งบนรัตนบัลลังก์ ในกระพองของตนบรรดากระพอง33กระพองในกระพองหนึ่งกระพองหนึ่งช้างเทพบุบุตรนั้นเดรมิรงากระพองละเจดงาในงาเหล่านั้นงาหนึ่งงาหนึ่งยาวประมาณ50โยอดในงานหนึ่งหนึ่งนั้นมีสักโบกกรณีงาละเจ็ดสักในสักแต่ละสัก มีกอบัวสะละเจ็ดกอในกอหนึ่งกอหนึ่งมีดอกบัวกอละเจ็ดดอกในดอกหนึ่งดอกหนึ่งมีกลีบดอกละเจ็ดกลีบในกลีบหนึ่งหนึ่งนั้นมีเทพธิดาฟ้อนอยู่เจ็ดองมหารศบฟ้อนย่อมมีบนงาช้างในที่ห้าสิบโยตโดยรอบอย่างนี้แหละ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 แม้นางสุนันทาถึงแก่กรรมแล้วก็ได้ไปเกิดในภพดาวดึงนั้นเหมือนกันสะโบครณีชื่อสุนันทามีประมาณ500้อยโยต์เกิดแล้วแก่นางแม้นางสุจิตราถึงแก่กรรมแล้วก็ไปเกิดในภพดาวดึงนั้นเหมือนกันสวนชื่อจิตลดามีประมาณ500โยต ที่พวกเทพพยาดาผ้าเหล่าเทพประบุตรผู้มีบุรภะนิมิตเกิดแล้วให้หลงเที่ยวไปอยู่สวนชื่อจิตระดาก็ได้เกิดแล้วแม้แก่นางนั้นส่วนนางสุชาดาถึงแก่กรรมแล้วเกิดเป็นนางนกยางในซอกเขาแห่งหนึ่งเท้าสกะตรวจดูบริจาริกาของพระองค์ ทรงทราบว่านางสุธรมมาเกิดแล้วในที่นี้เหมือนกันนางสุนันทาและนางสุจิตราก็อย่างนั้นแล้วนางสุชดาเกิดที่ไหนหนอได้เห็นนางเกิดเป็นนกกระยางในซอกเก่านั้นแล้วมีความดำริว่านางสุชดานี้เขาไม่ทำบุญอะไรอะไรเลยบัดนี้เกิดในกาเนิดเดรฉาน ก็วควรที่เราจะให้นางนั้นทําบุญแล้วนํามาไว้เสียที่นี้ดังนี้แล้วจึงส่งจําแลงอัตภาพเสด็จไปยังสํานักของนางนกระยางนั้นด้วยเพศที่เขาไม่รู้จักได้ตรัสถามว่าเจ้าเที่ยวทําอะไรอยู่ที่นี้นางนกระยางนายข้ท่านคือใครเล่าท้าวส ก, กะเราคือมาคาัคคสามีของเจ้าไง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 สุชาดานั้นไปสู่เทวโลกปล่อยไว้ริมฝั่งสระบุรณีชื่อสุนันทาตรัส บ, บอกแกมเหสีทั้งสานอกนี้ว่าพวกหล่อนจะดูนางสุชาดาสาายของพวกหล่อนบ้างไหมก็นางอยู่ที่ไหนเล่าพระเจ้าานางอยู่ที่ริมสระบครีชื่อสุนันทาพระมเหสีทั้งสามนั้นสเสด็จ ไปในที่นั้นทำการเย่อเย้ยว่าโอ้รูปของแม่เจ้าโอ้ผลของการแต่งตัวคราวนี้ท่านทั้งหลายจงดูจงอยปากดูแข้งดูเท้าของแม่เจ้าอัจฉภาพของแม่เจ้าช่างงามแท้ดังนี้แล้วก็หลีกไปท้าวสักาจึงได้เสด็จไปดูนางนกระยางชื่อสุชาดานั่นอีก แล้วตรัสถามว่าเจ้าได้พบหญิงสหายของเจ้าแล้วหรือเมื่อนางสุชาดานกกระยางทูลว่าก็พระมเหสีทั้งสานั้นหม่อมฉันได้พบแล้วเขาพากันย่ะเย้ยหม่อมฉันแล้วก็ไปขอพระองค์โปรดนำหม่อมฉันไปที่ซอกเขาั้นตามเดิมเถิดดังนี้แล้วก็ทรงนำนางนกกระยางนั้นไปที่ซอกเขาตามเดิม ปล่อยไว้ในน้ำนั่นแล้วตรัสถามว่าข้าเจ้าเห็นสมบัติของหญิงทั้งสามนั้นแล้วหรือหม่อมฉันเห็นแล้วพระเจ้าข้าแม้เจ้าก็ควรทำอุบายอันเป็นเหตุให้เกิดในที่นั้นข้าพระเจ้าจะทำอย่างไรพระเจ้าข้าเจ้าจะรักษาโอวาทที่เราให้ไว้ได้หรือไม่ข้าพระเจ้าสามารถรักษาได้ลาดับนั้นตาอสักะ ก็ประทานศีลห้าแก่นางแล้วตรัสว่าเจ้าจงเป็นผู้ไม่ประมาทรักษาไว้เถิดนังนี้แล้วก็เสด็จหลีกไปจำเดิมแต่นั้นมานางเที่ยวหากินแต่ปลาที่ตายเองเท่านั้นโดยการล่วงไป2ถึงสวันเท้าสักกะเสด็จไปเพื่อประสงค์จะลองใจนาง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 จึงทรงทำเป็นนอนงายข้างหน้านางอีกนางก็คาบอีกด้วยสำกันว่าปลาตายในเวลาจะกลืนเห็นปลาอย่างกระดิกหางอยู่จึงปล่อยเสียด้วยรู้ว่าเป็นปลาเป็นเท้าส ก, กะทรงทดลองอย่างนี้ครบสามครั้งแล้วมีความคิดว่านางนี้รักษาศีลได้ดีจึงทรงแสดงพระองค์ให้หนางทราบ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 โดยการล่วงไปสองถึงสามวันเท่านั้นก็สู้ผอมทำกาล์คือตายแล้วเกิดเป็นทิดาของช่างหม้อในกรุงพาราณาีด้วยผลแห่งศีนั้นต่อมาเวลาที่นางมีอายุราว1 5หถึงปีเท้าสักะมีความดาริว่านางนั้นเกิดที่ไหนนอก็ได้ทราบความ ที่นางเกิดเป็นทิดาของช่างหม้อในกรุงพารานศีจึงมีความคิดว่าบัด น, นี้เราควรที่จะไปที่นั้นหนังนี้แล้วจึงเอาแก้วเจตประการซึ่งปรากฏโดยลักษณะคล้ายฟักทองบรรทุกยานน้อยขับไปในกรุงพรานาศีเสด็จไปยังถนนเปล่าร้องว่าท่านทั้งหลายมาเถิด มาเอาฟักทองกันเถิดก็แต่เมื่อผู้คนนําเอาตัวเขียวหรือถั่วราชมาดเป็นต้นมาแลกเพื่อจะเอาฟักทองจึงได้กล่าวขึ้นว่าข้าพเจ้าจะให้ฟักทองนี้ไม่ได้ให้ด้วยราคาพวกพ่อค้าเหล่านั้นจึงถามว่าก็าท่านจะให้แลกด้วยอะไรเล่าจึงกล่าวขึ้นว่าข้าพเจ้าจะให้แก่สตรีผู้รักษาศีล ดนีพวกชาวเมืองถามว่านายชื่อว่าศีนเป็นอย่างไรสีดําหรือสีเขียวเป็นต้นทาวส ก, กะพวกท่านไม่รู้จักศีนว่าเป็นเช่นไรจะรักษาศีนนั้นได้อย่างไรเล่าแต่เราจะให้แก่สตรีผู้รักษาศีลพวกชาวเมืองนายธิดาของช่างหม่อนั้นเที่ยวพูดอยู่ว่าข้าพเจ้ารักษาศีล ก็ท่านจงให้แก่สตรีนั้นเถิดแม้ธิดาของช่างมอ่อันนก็กล่าวขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นก็ให้แก่ฉันเถิดนายท้าวสกะเธอคือใครธิ่ดาช่างมอ่อฉันคือสตรีผู้ไม่ละศีน่าท้าวส ก, กะภักองเหล่านั้นฉันก็นำมาจำเพาะเพื่อเธอท้าวส ก, กะจึงส่งขับเกวียน ไปถึงเรือนของนางแล้วประธานทรัพย์ที่เทวดาปึงให้โดยลักษณะคล้ายฟักทองทำให้พวกคนอื่นลักลอบเอาไปได้ให้ทรงรู้จากพระองค์แล้วตรัสว่านี้ทรัพย์สำหรับเลี้ยงชีวิตของเธอเธอจงรักษาศี่ห้าอย่าได้ขาดแล้วจึงได้เสด็จหลีกไปตอนนางสุชาดาเป็นที่ดาของอสูร ฝ่ายธิดาของช่างมอ้นนั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วเกิดในเรือนของผู้มีเวรต่อเท้าสั ก, กะคือในฝ่ายอสูรเป็นทิดาของอสูรผู้เป็นหัวหน้าในภบอสูรและเพราะนางรักษาศีลดีแล้วในสองอัตภาพนางจึงได้เป็นผู้มีรูปสวยมีผิวพันธุ์ดุจทองคาประกอบด้วยรูปสิริ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 ที่เป็นอสูรมาประชุมกันแล้วได้ให้พวงดอกไม้ในมือของที่ด่า น, นั้นด้วยการสั่งว่าเจ้าจงเลือกผู้สมควรแก่เจ้าเป็นสามีในขณะนั้นท้าวสักกะทรงตรวจดูสถานที่นางเกิดทราบความเป็นไปนั้นแล้วมีความดําเละว่าแบบ น, นี้สมควรที่เราจะไปนํานางนั้นมาอย่งนี้แล้ว จึงทรงเนรมิรเพศเป็นอสูรแก่ไปยืนอยู่ที่ท้ายบริษัทแม่นางอสูรสุชาดานั้นเมื่อตรวจดูข้างโน้นข้างนี้พอพบเท้าสักกะซึ่งจำแรงกายเป็นอสูรที่แก่แล้วก็มีฮาไทยอันความรักซึ่งเกิดขึ้นด้วยอำนาจบุพเพสั น, นิวาตท่วมทับแล้วหลุดห้วงน้ำใหญ่ เขาโปรงใจว่านั่นสามีของเราจึงโยนพวงดอกไม้ไปเบื้องบนแห่งเท้าสั ก, กะที่จำแลงกายเป็นอสูรแก่ผู้นั้นพวกอสูรนึกลายใจว่าพระราชาของพวกเราไม่ได้พูดที่สมควรแก่พระธิดาตลอดการประมาณเท่านี้บัดนี้ได้พูดที่แก่กว่าปูนี่แหละสมควรแก่พระธิดาของเท้าเธอ ดน้แล้วเขาเหล่านั้นก็จึงหลีกไปฝ่ายเท้าส ก, กะทรงจับนางอสูรสุชาดานั้นที่มือแล้วประกาศขึ้นว่าเราคือเท้าส ก, กะแล้วทรงเหาะไปในอากาศพวกอสูรรู้ตัวว่าก็พวกเราถูกเท้าสกกะลวงเสียแล้วจึงพากันติดตามเท้าส ก, กะนั้นไปเทพบุตร ผู้บิสารถีของเทา้าสกกะนามว่ามาตลีนำรถเวทยันมาพักไว้ในระหว่างทางเทา้าสกกะส่งอุ้มนางขึ้นในรถนั้นแล้วบ่ายพระพักสู่เทพนครเสด็จไปแล้วในเวลาที่เทา้าสกกะนั้นเสด็จถึงสิมพะลิวันคือป่าไม้งิ้วแห่งหนึ่ง ลูกนกครุฑได้ยินเสียงรถของเท้าสา ก, กะจึงตกใจกลัวร้องขึ้นแล้วเท้าสา ก, กะได้สดับเสียงของลูกนกครุฑเหล่านั้นแล้วจึงถามมาตาลีคนขับรถว่านั่นนกอะไรร้องมาตาลีลูกนกครุฑพระเจ้าข้าก็เพราะเหตุใดมันจึงร้องเพราะได้ยินเสียงรถแล้วมันจึงร้องเพราะกลัวตายพระเจ้าข้า ท้าสก่จึงตรัสว่าก็อาศัยเราผู้เดียวนกประมาณเท่านี้ถูกความเร็วของรถให้ย่อยยับไปแล้วมันอย่าหายนะสีเลยเธอจงกลับรถเสียเถิดมาตรลีเทพบุตรนั้นจึงให้สัญญาแก่ม้าสินทบพันหนึ่งด้วยแส่กลับรถแล้วพวกอสูรเห็นกิริยาของท้าวสกกะที่กลับรถ มาแล้วนั้นจึงคิดว่าก็เท้าสักกะนี้หนีไปจากเมืองแห่งอสูรบัดนี้กลับรถแล้วเธอจะได้ผู้ช่วยเหลือเป็นแน่จึงกลัวแล้วกลับไปสู่เมืองแห่งอสูรคืออสูรบุรีตามทางที่มาแล้วนั่นแหละไม่ยกศรีรษะขึ้นอีกด้วยความกลัวไฟเท้าส ก, กัดส่งนํานางอสูร สุชาดาไปสู่เทพนครแล้วส่งสถาปนาไว้ในตำแหน่งหัวหน้านางอับสอนสองกดกึง่งนางทูลขอพรกับเทา้าสกะว่าขอเดชะมหาราชมันดาวิดาหรือพี่ชายพี่สาวของหม่อมฉันในเทววลโลกนี้ไม่มีพระองค์จะเสด็จไปในที่ใดๆก็พึงพาหม่อมฉันไปในที่นั้นๆด้วย เท้าเธอจึงได้พระราชทานผ่อนนั้นก็จำเดิมแต่นั้นมาเมื่อดอกจิตตะปาตลิบาลพวกอสูรก็ประสงค์จะรบกับพวกของเท้าสกกดด้วยหมายใจว่าเป็นเวลาที่ดอกปาริฉัตกะทิ์ของพวกเราบานเท้าสกกะจึงได้ทำการอรารักขาแก่พวกนาคภายใต้มหาสมุทร ทำการอารัขาแก่พวกกรุษทำการอารัขาแก่พวกกุมพันพวกยักษ์พวกเท้าจตุมหาราชส่วนชั้นบนกว่าทุกๆุชั้นประดิษฐานรูปจำลองของพระอินทร์ซึ่งมีวชิราวุธในประหัตไว้ที่ทวารแห่งเทพนครพวกอศูนย์เมื่อทำการรบชนะตั้งแต่พวกนาคพวกกรุษ กุมพันธ์เป็นต้นมาแล้วเห็นรูปจำลองของพระอิน์มาแต่ไกลกขย่อมหนีไปด้วยเข้าใจว่าเท้าสกัดเสด็จออกมาแล้วนังนี้พระศาสดาในที่นั้นได้ตรัสกับมหาลิว่ามหาลิมัรค้ามานพปฏิบัติอภปมาทะปฏิปทาคือข้อปฏิบัติของผู้ไม่ประมาทอย่างนี้ก็แล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 พระอาศัยความไม่ประมาทดังนี้แล้วได้ตรัสพระคถาสืบไปว่าอัปปมาเทนะมกวาเทวางเศตตังฆโตอัปปมาทังประสังสันติหิตวายาติสุเมทโสแปลว่าเท้ามักคะถึงความเป็นผู้ประเสรศิฐกว่าเทพ ย, ยดาทั้งหลายเพราะความไม่ประมาท บัณฑิต ท, ทั้งหลายย่อมสรรเสริญผู้ไม่ประมาทความประมาทอันท่านติเตียนทุกเมื่อในบรรดาคําเหล่านั้นคำว่าอัปปมาเทนะคือเพราะความไม่ประมาทหมายความว่าเพราะความไม่ประมาทที่ทําไว้ตั้งแต่แผ่วทางภูมิประเทศในอจฉรคัมคําว่ามรควาหมายถึงเท้ามัรควะ คือมรคมาโนบซึ่งปรกกากฏมรควะในบัทนี้ชื่อว่าถึงความเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทพเยดาทั้งหลายเพราะความเป็นราชาแห่งเทวีวโลกทั้งสองคำว่าปะสังสันติคือสรรเสริญหมายความว่าบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นย่อมชมเชยสรรเสริญความไม่ประมาทอย่างเดียว ข้อนั้นพระเหตุหนายเล่าเพราะความไม่ประมาทเป็นเหตุให้ได้คุณนวิเศษซึ่งเป็นโลกียะและโลกุตระทั้งหมดข้อที่ว่าปมาโทฆ ะ, ะหิโตสัทาที่แปลว่าความประมาทอันท่านติเตียนทุกเมื่อหมายความว่าส่วนความประมาทอันพระอริยเจ้าเหล่านั้นติเตียนกระนินทานแล้วเป็นนิด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 ก็ได้เป็นรียบุคคลมีพระโสดาบันเป็นต้นแหล่เรื่องท้าวสักกะจบความไม่ประมาทตะวังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากแราเล่ามาซะยาวยืดเราพูดกันมาสองวันเนี่ยก็เพื่อที่จะจบมาตรงจุดที่เรียกว่าความไม่ประมาทโดยยกตัวอย่างของท้าวสักกนี้เป็นตัวอย่าง พระราชาเหลานี้จริงๆแล้วยกตัวอย่างของเท้าส ก, กะเทวราชนี้อยู่หลายๆนยัยยะด้วยกันทีนี้ก็นยัยยะหนึ่งพูดถึงเรื่องความไม่ประมาทในเรื่องเงินเดืก็ได้ตรัสถึงความมีขันติความมีขันตินี้หมายถึงความอดทนความมีความสงบเสงี่ยมหมายถึงโสรจะในขันติโสรจะนั่นก็มีในตัวของท่านเท้าส ก, กดัดเทวราชแต่เป็นเทวดาที่มีคุณธรรมสูงมากในคุณธรรมต่างๆที่มีนั่นแหละมารวมลง ในจุดที่เรียกว่าความไม่ประมาทเพราะว่าเป็นผู้ที่ไม่ประมาทแต่จึงได้ทําความดีต่างๆเหล่านั้นและเป็นการเตือนตัวเองท่านผู้ฟังว่าแม้แต่ตัวเราเองจะมาดํารงอยู่ในความประมาทไม่ได้แต่ น, นี่จริงๆแล้วเป็นคําพูดคําสุดท้ายของพ่อเราก่อนที่จะละจากโลกนี้ไปพ่ อ, อเราในทางวิวัตต์คือพระพุทธเจ้านั่นคือเราพูดถึงพ่อในทางวัตตะเนี่ยเกิดเราเกิดชาตินี้เกิดชาติหน้าเกิด ช, ชาติที่แล้ว น้พ่อกับคนละคนคนละคนคนละคนกันไปแต่ถ้าพูดถึงบิดาในทางวิวัติต่างที่จะออกจากวัตวนวัตตสงสารก็จะมีอยู่คนเดียวกันนั่นก็คือพระพุทธเจ้าคาสั่งที่พ่อของเราสั่งเอาไว้นะก่อนการปฏินิพพานก็คือให้เป็นผู้ที่ไม่ประมาทเรื่องราวนี้เป็นตัวอย่างพูดถึงการไม่ประมาทของท้าวสกกะเทวรัตน์เราไว้เป็นเครื่องเตือนสติสตินี่แหละท่านผู้ฟังคือควาไม่ประมาท วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังมีความเห็นหรือข้อเสนอแนะใดๆให้ไปที่เว็บไซต์ได้สามารถฟังย้อนหลังที่เว็บไซต์ได้เหมือนกันที่ puredhamma.com p u r e d h a m m a com จนปึอน